บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่แห่งความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งเป็นอาการของโมหะที่กระจายออกไปโดยนยัยยาต่างๆซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้น ความสงสัยข้อสุดท้ายซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราหรือเป็นตัวชีวิตของคนได้กแก่กฎของปฏิจจสมุปบาทคำว่ากฎของปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นกฎเหล่านี้ก็ก็มีอยู่แล้ว เพียงแต่เราพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งกฎเหล่านั้นตามความเป็นจริงแต่เนื่องจากความเป็นกฎธรรมชาติดังกล่าวนั้นมีเงื่อนไขมีปัจจัยเข้ามาประกอบอยู่อีกเป็นอันมากเมื่อเรามองไปตอนที่พุทธเจ้าได้จัดสรู้ใหม่ๆทรงใช้เวลาพิจารณาทบทวนกฎปฏิจจสมุปาทนี้กลับไปกลับมา เรียกว่าโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมคือตามลำดับและย้อนลำดับเป็นเวลาถึงเจ็ดวันด้วยกันซึ่งแสดงเห็นได้ว่าเป็นกฎที่มีรายละเอียดมากมายคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดจึงครอบคลุมกฎตัว น, นี้เอาไว้ อันที่จริงคนเหล่านี้ก็คือหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการที่พระเจ้าทรงสัจจรูนั่นเองแต่ก็ทรงกระจายออกไปโดยในยะหนึ่งซึ่งอันที่จริงแล้วก็มีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่บางครั้งเพื่อให้เกิดความก้าใจง่ายท่านก็เรียกว่าอิทัปปจจยตาหมายความว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มี แต่สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีแต่สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ต้องเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ต้องดับแล้วก็เป็นปรากฏการธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเรามองเห็นผลที่ปรากฏในชีวิตประจําวันของเราที่ปรากฏโดยธรรมชาติเช่นหนาวเช่นร้อนเช่นลมพัดหรือพายุใต้ฝุ่นอะไรต่างๆตรา น, นั้นที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุ เราตั้งคำถามว่าทำไมจึงหนาวจัดทำไมจึงร้อนจัดทำไมจึงลมแรงทำไมจึงเกิดเป็นตั้งฝุ่นบานทีจะมีคำตอบออกมาในลักษณะต่างๆแต่ทำากลางความหนาวความร้อนหรือว่าพายุลมพัดนั้นถ้าเรามองในรายละเอียดอีกทีหนึ่งมันก็มียึ่งมีหยอดอยู่ในความเป็นลมเป็นหนาวเป็นร้อนทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตัวเหตุปัจจัย ที่เข้ามาประกอบให้เกิดความหนาวความร้อนเหล่านั้นมันมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุปจัจจัยของมันมช่วงระยะะยะเวลาที่ลมพัดแรงมันก็ไม่นานแล้วก็ค่อยซาลงหรืออาจจะแรงขึ้นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปส่วนจะเปลี่ยนแปลงในแนวใดนั้นก็เป็นอีกในย่าหนึ่งคือสาเหตุปัจจัยที่มาประกอบในแต่ละขณะในแต่ละช่วง ดังนั้นไม้เราฟังข่าวคราวการรายงานอากาศจากวิทยุหรือจากโทรทัศน์หรือจากหนังสือพิมพ์ก็ตามที่จะเปการแสดงกฎของปัจจัยาการหรือกฎของปฏิจจสมบาทได้เห็นเอ็นพายุตรงนั้นก่อตัวขึ้นตรงนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อก่อตัวขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ต่อมาก็เริ่มสลายตัวเพราะไปกระทบอะไรเข้าแลว้วก็เกิดสลายตัว มันสลายตัวปริยัติหนึ่งซาปริยัตหนึ่งไปได้เงื่อนไขปัจจัยให้เกิดรุนแรงก็รุนแรงต่อไปเพเส้นทางที่พายุหลดนั้นพัดผ่านบางครั้งก็กระทุบ ก, กระเทือนแรงบางครั้งก็กระทบบางแห่งก็กระทบกระเทือนน้อยบางแห่งก็กระทบกระเทือนแรงและแต่เหตุปัจจัยของพายุในแต่ละขณะแต่ว่าในที่สุดมัก็สลายไปแต่เหตุปัจจัยให้เกิดสลายมันก็จะลาย ไอตัวเงื่อนไขาสาคัญในความเป็นกฎของปฏิจจสมบัติที่จริงมันก็เหมือนกับเรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่พูดพูดกันเพราะเราจะเห็นว่ามันผลทั้งหลายที่ปรากฏในชีวิตของเรามันก็มีอยู่สองผลด้านั่นเองคือผลที่เราชอบกับผลที่เราไม่ชอบก็ท่านั้นแม้ผลที่ปรากฏโดยธรรมชาติธรรมดาเช่นหนาวร้อนมันก็มี ที่เราชอบและเราไม่ชอบถนาจัดไปเราก็ไม่ชอบร้อนจัดไปเราก็ไม่ชอบถ้าพอดีสมบับเราเราก็รอชอบก็แสดงว่ามีชอบกับไม่ชอบแต่การชอบหรือไม่ชอบนั้นมันเป็นผลที่ทยอยกันมาจากเหตุเพราะนั้นก็สือสาถึงเหตุเวลาพระเจ้าสอนนั้นก็จะสอนในตัวเหตุถึงสังเกตว่า ทุกษัตริย์นั้นทรงสอนนะบุคคลกําหนดรู้ไว้เพราะเราแก้ไขที่ตัวนั้นมันไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติธรรมดาวัตเหตุเป็นอย่างนี้แล้วก็ผลเมื่อต้องออกมาอย่างนี้แหล ะ, ะไม่รู้จะทำอย่างไงแต่ก็ให้รู้ความจริงเอาไว้ความเป็นอย่างนั้นเมื่อต้องการจะเมื่อไม่ต้องการเหตุบางอย่างก็ต้องไปแก้เมื่อไม่ต้องการการผลบางอย่างก็ต้องไปแก้ที่ตัวเหตุซึ่งให้เกิดผลเหล่านั้น พระเจ้าก็ทรงแสดงให้สมุทัยเนี่ยเป็นข้อที่ควรหลักพราะพวกนิโรธมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือไม่ได้ทรงสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติในตัวนิโรธตอนนิโรธมาเป็นผลแต่เป็นผลที่น่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจของบุคคลทั้งหลายประปราศจากเครื่องเสียดแทงมีความสงบมีความยึกเจนไม่มีความยึดมั่นถือมั่น เดิมหน้าตานามาณนจะิพย์ซึ่งบุคคลก็สามารถจินตนาการได้จากความคิดของเราคราวนี้มันสังเกตดูว่าความคิดของเราในบางขณะที่มีอาการมีอาการยึดมั่นถือมั่นอะไรออกไปมากๆจะรู้สึกหนักจะรู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกว่าวุ่นสับสนไปด้วยระการต่างๆแต่ถ้าปล่อยวางจะปัง คือสิ่งเหล่านั้นมันก็คงเกิดขึ้นเป็นอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าใจเราไม่ไปเกาะไม่ไปยึดมั่นเราเป็นของเราหรือเกี่ยวข้องกับเราหรือว่าเกี่ยวแม้จะเกี่ยวข้องกับเราก็ปล่อยเป็นช่างเขาไปบ้างอาการปร่งบอมันก็สบายก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจแต่ว่าอาการของนิโรธมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากจุดที่เราสัมผัสได้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเท่าตอนั้นเองแต่จุดดึงเราก็สัมผัสได้เพราะฉะนั้นผลในลักษณะนั้นแสดงว่าเป็นผลที่เราต้องการแต่เราก็ทําอะไรกับตัวผลไม่ได้พระเจ้าก็สอนเรงตัวเขตก็คือมรรคสัเพราะฉะนั้นคำสอนในพุทธศาสนาจึงมาสรุปอีกทีหนึ่งว่ลาละเปล่าบำเพ็ญบุญหรือทําจิตได้ผ่องแผ่ตามรนย่ของ คาถาในวตาตาปาติโมกตนันเองการสอนในช่วงนี้เป็นการสอนที่ให้บุคคลเว้นเหตุแล้วก็สร้างเหตุโดยผลนั้นไปสัมผัสเราเองแต่ในการเว้นเหตุในการสร้างเหตุนั้นก็คือจะต้องอาศัยฐานสำคัญก็คือความอดกั้นความอดทน พระบนเส้นทางกองการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั้นพูดมันง่ายแต่เป็นการกระทำที่ได้ยากยิ่งแต่ว่าถ้าหากเไม่กระทำได้ผลคือความสุขก็จะบังเกิดขึ้นเพราะบาปนั้นเป็นเหตุของความทุกข์และในายะของพุทธภาสิทธิ์นี้เองบางทีก็แสดงโดยในยะอื่นจนทรงแสดงว่า อธรรมย่อมนำไปสู่ทุกขติธรรมย่อมนำไปสู่สุกตินั้นเป็นการแสดงถึงตัวเหตุเขาให้ความมาสุกติก็ดีทุกขติก็ดีมันยังไม่เกิดแต่ว่าเหตุ ม, ม, าามันมีจะถามว่าทําไมคนตายไปตกนรกทําไมาคนตายไปแล้วมันเกิดในสุกติพระเจ้าก็ส่งไปแสดงถึงตัวเหตุคือตัวอธรรมนี่เป็นการพูด ร, มรวมๆไม่รู้อาธรรมข้อไหนแต่แน่นอนที่สุดคืออธรรม ได้ แ, แก่ผู้อกุศลทุจริตทั้งหลายที่บุคคลได้กระทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจส่วนจะว่าในรายละเอียดว่าอาธรรมข้อไหนนั้นพูดก็อีกทีหนึ่งเพราะาาธรรมที่บุคคลประพฤตินั้นไม่เหมือนกันแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คืออธรรมนั้นจะนําไปสู่ทุกขติพระองค์ก็ทรงแสดงเฉพาะเหตุว่าอาธรรมจะนําไปสู่ทุกขติตธรรมก็นําไปสู่สุขติก็เป็นการแสดงตัวเหตุว่าตัวธรรมนั่นเอง แต่ตัวผลนี่ยังยังไม่เกิดคือสุกตินั้ยังไม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแต่ว่าถ้าต้องการไม้ถ้าต้องการสุกติต้องการความสุขความเจริญความสงบความปราศจากเวรปราศจากภัยตลอดทังการบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์การบังเกิดในพรหมโลกตลอดทึงภาวะจิตหรือภพที่อยู่ของชีวิตก็ตามนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากธรรมะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงตัวเหตุรวมๆเอาไว้ จุดที่แน่นอนที่สุดก็คือธรรมะนั่นจะนำไปสู่ทุสุคติเด่ธรรมะข้อไหนที่จริงข้อไหนก็ได้แต่บางข้อนั้นมันเลยสุคติไปเจ็สมมุติว่าปฏิบัติไปแล้วได้ในระดับของฌานก็บังเกิดในพรหมโลกไปในระดับของมรรคผลมันก็ถึงจุดที่สร้างพบสร้างชาในปณีตแต่ก็อยู่ในเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเอง แต่ที่นี้บางทีเนี่ยเข้าถึงเลยพบคือเลยคติไปเจนว่าโลกุตตะกุศลทั้งหลายที่บุคคลปฏิบัติแล้วก็ทำให้บรรลุมรรคผลที่ผ่านไปมันก็เลยคติคือเลยพบไปแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเกิดมาจากกุศลธรรมแต่จะาถามมาตรงนี้แสดงปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าก็บอกว่าแสดงปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เกิดจากการการมองด้วยการศึกษาธรรมะนั้นอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าธรรมะเขาปรากฏอยู่เพียงข้อเดียวแต่ในแง่้องการศึกษาแล้วบุคคลสามารถที่จะมองอีกด้านหนึ่งได้อย่างชัดเจนต้นในสายเกิดของกุศล ส, สายเกิดของสังสารวัฏที่ส่งแสดงว่าวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปปัจจัยเกิดปัญญา นั่นคือแสดงตัวเหตุที่เป็นอกุศลพอเมื่อบุคคลได้กระทําลงไปแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นปฏิสนธิบิญญาณขึ้นมาในลักษณะต่ า, างๆแต่ในความเป็นอวิชานั่นเองคุณสังเกตว่าวิชามันมีหยาบมีกลางมีละเอียดของเขาอยู่เพราะว่าสัตว์โลกทั้งปวงนั้นอยู่ภายใต้วงล้อมของอวิชชา ทิวจ้าส่งอุปมาว่าเหมือนกับกายอยู่ในกระเป๋องฟองไข่โรงเองมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าทําลายกระเปาะฟองไข่ออกมาได้ก่อนเท่านั้นเองจึงเรียกว่าโลคกระเจตคือพี่คนโตของสาวโอย่าเดินทีเดียวมันก็ต่างคนต่างก็อยู่ในกระป๋อฟองของอาวิชาพวกคนที่จะหลุดรอดไปจากอวิชาได้มันก็มีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นเอง คนอื่นก็ยังหลุดรอดไม่ได้แม้แต่พระอนาคามีเพราะฉะนั้นพระอนาคามอาวิชาของพระนาคามีของพระสกเถขามีของพระโสดาบันหรือของบุพบันดิตทั้งหลายมันก็มีแต่ก็น้อยก็ทําให้ท่านควบคุมคือคล้ายๆกับเราอยู่ในถ้ากลางความมืดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่มืดเตื้อๆไปเลยมันก็มืดพอมองพอเห็นอะไรได้มันก็ทําอะไรได้ทําให้ถูกต้องดีงามได้ แต่บางครั้งก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันคือในจุดที่มืดมิดเพราะงั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยเขาก็ยังมีวิชาอยู่การกระทําบางอย่างของท่านเนี่ยก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นพลาดรุนแรงจนเป็นเหตุให้ตกนรกก็ <c oughs> เรียกง่ายๆว่าเป็นโทษที่เป็นคือปณติวะชะหมายความว่าโทษตามบทบัญญัติโทษข้อกฎกเกณฑ์ระเบียบวินัยของ สังคมสงฆ์เท่า น, นั้นเองแต่ขนาด จ, จะฆ่าสัตว์รักษาพระพฤติพิในการมเนะี่ยท่านไม่ทำเพราะนั้นพุเป็นเหตุของอบายอาวิชชาท่านจางลงไปมากแล้วท่านเห็นเหตุเห็นผลได้อย่างชัดเจนแ้าปิดประตูจะตุระบายได้มันก็สภาพจิตของท่านนั่นเองสภาพจิตที่มีอวิชามันจางไปมากแสงสว่างปรากฏขึ้นภายในใจมากพอที่จะรู้เหตุรู้ผลได้อย่างชัดเจน เพรในความเป็นอวิชานั้นบางทีสังขารก็กลายเป็นบุญก็ได้กลาเป็นบาปก็ได้และอาจจะประนีตลึกซึ้งลงไปจนถึงเป็นรูปฌานก็เป็นอรูปฌานก็ได้สังขารก็คือบุญบาปและท่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาเนิชากได้แก่สภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวไปตามหน้าของกิเลสคืออรูปฌานอารูปฌานนั้นจะมีความหวั่นไหวน้อยไม่ใช่ไม่หวั่นไหวหรอกเพียงแต่ว่า แตแรงกระแทกจากข้างนอกไม่มากเกินไปเนี่ยจะไม่หวั่นไหวเพราะจิตใจของท่านไม่ได้มองเห็นความเป็นเราเป็นของเราอย่างสามัญชนทั่วไปคือแต่เห็นว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็อระพสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ปัญตามีการกระทำอะไรที่ลักษณะเป็นการดัววด่วยวนด้วยุ เมือ่อตั้งไปถืออยู่เพียงเล็กน้อยอย่างนั้นก็ทํานองคล้ายๆกับเรามองเด็กไว้ตั้แต่ต้นก็เด็กกระไรเดียงสาแกจะหยาบไปแกจะรุนแรงไปหรือแกจะไผ่ราะไปอะไรเราก็วางใจได้คือทําใ จ, จเฉยๆได้จิต ใ, ใจก็จะไม่อ่อนไหวไปตามนาดของกิเลสเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะมันเกิดรู้ตามความเป็นจริงว่าแกเป็นเด็ก จิตใจของพระอริยบุคคลหรือของท่านที่มีความประนีตขึ้นมัก็มีลักษณะอย่างนั้นคือรู้เท่าท่านอารมณ์ที่ปรากฏตามความจริงผมก็สักแต่ว่าอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาในขั้นของการปฏิบัติกรรมฐานที่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่นแข็งคือสักแต่ว่าเมื่อสักแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรรูปก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นเอง จะประนีดมันก็สักแต่วรรูปจะหยาบมันก็สักแต่วรรูปจะกลางกลา ม, มันก็สักแต่วรรูปรูปไกลก็สักแต่รรูปรูปใกล้ก็สักแต่บรรูปจิตใจของบุคคลก็จะสงบมัน่นคงขึ้นหมายความว่าถ้ากุศลมีอยู่ภายในจิตมันก็รักษากุศลไม่ได้แต่ถ้ามีกำลังของกุศลสูงก็อาจจะเพิ่มกุศลจากสิ่งเหล่านั้นแหละได้ด้วย เพราะนั้นถ้าตราบใดที่ภายในจิตใจของบุคคลมีพวกกุศลอยู่คืออวิชานั้นยังละไม่ขาดหรอกแล้วก็มีกุศลอยู่การกระทำในทางทำนองที่เป็นกุศลก็จะบังเกิดขึ้นมาปฏิสนธิวิญญาณก็จะเป็นไปในทางชีธทีนามรูป ก, ก็จะมีความประณีตมันก็เป็นกระบวนการที่ไปเป็นแถวไปได้ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ก็อาจจะมองจากธรรมดาธรรมดาที่ เจด็สดเสูรสังเก ค, คุณอนุตตรังวนยักเขตตังโลกัสสะประสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่ามันก็แสดงตัวเหตุก็คือตัวประสงค์ประสงค์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั้นจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่มันเป็นเหตุแต่นั้นเอง แต่เราต้องการจะให้พืชพันธุ์ของเรางอกงามคือพืชบุญของเรางอกงามมันก็ต้องหวานพืชลงในพระสมหวานพืช น, นั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องให้ทานเพราะเวลาเราสวดนั้นเราก็สวดอาหุนนโยประหุนนโยธกิจนโยอันเชริกาลนายโยหมายความว่าเป็นการคำนับเป็นการต้อนรับเป็นการทําบุญหรือการพนมมือไหวมันไม่จําเป็นจะต้องไปว่าต้องทําทานหรืทอที่เราสวดมันก็บอกว่าชัดเจนว่า การกระทาเหล่านี้การต้อนรับการขับนับการบริจาคทานด้วยการพนมมือไหว้เนี่ยแล้วก็เป็นการก่อให้เกิดบุญทีนี้ถ้าทําคนอื่นล่ะกับคนอื่นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่านั้นเองถ้าทําคนดื่นมันก็เกิดบุญเหมือนกั น, นเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบเคียง กับพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวการทําต่อพระสงค์นั้นจะเป็นบุญมากกว่าแต่จริงๆท่านก็แสดงเหตุถ้าเราต้องการผลเราก็ต้องให้การคํานับให้การต้อนรับให้การทําบุญหรือกระทำอัญเชิีต่อประสงค์แล้วก็ผลมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการแสดงในตัวเหตุให้ดูเพราะธรรมะนั้นจะเน้นที่ตัวเหตุเป็นหลัก จนถึงก็กล่าวโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามไปแล้วก็จะเห็นจริงได้แต่เมื่อสติปัญญาของบุคคลมากขึ้นเข้าไปสัมผัสผลเข้าแต่ก็สาวกลับมาที่เหตุได้อ๋อผลเหล่านี้เองมันก็เกิดมาจากเหตุอ่งนี้คล้ายๆกับเกิดจันทรุปราคาสรยุปราคานี เราจะเห็นว่าผลมันปรากฏก็เป็นจันทรุปราคาปรากฏอยู่ในขนาดนั้นได้เหตุล่ะเฮลก็มีการอัตราธิบายชี้แจงว่าทําไมจึงเต็มดวงทําไมจึงครึ่งดวงทําไมจึงนิดเดียวทําไมจึงเห็นตรงนั้นทําไมจะไม่เห็นตรงนี้นั้นคือตัวเหตุเจอก็จะมีคนแสดงเหตุให้ทราบว่า เ, เหตุมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจึงปรากฏผลออกมาในลักษณะนั้น อันที่จริงถ้าเรามองให้เกิดความเข้าใจมันก็เช่นเดียวกันหนาวร้อนได้ผลต่างๆนังกล่าวแล้วในตอนต้นนั้นเองหมายความว่าผลมันปรากฏอยู่ในขณะนั้นเหตุมันไม่ปรากฏในขณะนั้นแต่เมื่อเราเข้าใจในเชิงเหตุผลแล้วเราก็สาวกลับไปที่เหตุได้นั้นแนวที่ทรงสอนในรูปของโอวาทปาฏิโบ๓ข้อที่ท่านได้ผ่านการตรัสดลอตกฟังมาจะสังเกตว่าอันที่จริงแล้วก็คือกระบวนการของปัจจยการ ทั้งสายที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์และสายที่เป็นเหตุแห่งความสุขพูดง่ายๆว่าทั้งสายของสมุทัยศาสตร์และทั้งสายของมรรคศาสตร์แต่ว่าพระองค์ไม่ได้แสดงแนวนั้นไม่ได้แสดงในนแนวรายละเอียดแบบปฏิจจสมุปบาทหรือแสดงเป็นหลักปฏิบัติที่ง่ายแต่ว่าจะเกิดผลมาก แล้วก็แนวเหมือนกันอะไรแนวเหมือนกับที่ทรงแสดงว่าเหมือนบุนคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในดินแล้วย่อมเขาย่อมได้รับผลแห่งพืชชนิดนั้นก็ทําคนทําความดีรับผลดีทําความชั่วก็รับผลชั่วเป็นก็ความง่ายๆจริงๆก็คือเป็นปฏิจจสมุปาหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพืชเนี่ยมันมีผลบางชนิดที่เราไม่ต้องการบางยชนีดเราก็ต้องการ แต่ถ้าเราไม่ต้องการผลของพืชบางชนิดแต่เราก็ไปปลูกพืชชนิดนั้นลงสามารจะได้ผลไม้มันก็ต่อว่าให้ผลเพรา ะ, ะผลที่เราไม่ต้องการนั้นก็เกิดขึ้นจากการปลูกของเราเองไม่ใช่คนอื่นมาปลูกให้หรือมาคนอื่นมาลดบรรดาษให้แต่เพื่อขยายหเห็นว่าจากตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมง่ายๆซึ่งเราเข้าใจง่ายบแบบเดียวกันปลูกพืชจะนวัตเราไม่ชอบกลิ่นอุตจจาิะ มีวิธีง่ายนิดเดียวก็คืออย่าปลูกอุจจาระไฟติปันไอส่วนจะเดินไปที่ไหนมันก็เจอบ้างก็ช่างนะแต่ว่าเฉพาะในตัวเรานั้นเราไม่สร้างขึ้นเราไม่ปลูกคิดถ้าเราต้องการดอกกุหลาบมันก็ต้องเริ่มที่ปลูกกุหลาบที่จริงก็สูตรคิดง่ายๆนะสูตรคิดง่ายๆดังนั้นก็ทรงเปลี่ยนแปลงมาไปถึงการกระทําให้โดมันจะแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกบอกเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงบนพื้นดินแล้วเขาย่อมได้รับผลของพืชชนิดนั้นถ้าเราปลูกพืชชนิดดีลงที่จริงตัวผนมันยังไม่เกิดเพราะเพิ่งปลูกตอนนั้นเด็กเรายังไม่ปลูกด้วยแต่บอกเฉพาะช่วงเหตุและช่วงผลไว้แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือทำทาเหตุแต่แกาปลูกพืชปัญาสาคัญว่าในการปลูกนั้นจะต้องมีวิ ช, ชาคือความรู้ พอเราต้องการทุเรียนชนิดดีเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงพืชถึงถึงตัวทุเรียนเหล่านั้นถึงหนอ่อถึงเม็ดของทุเรียนชนิดนั้นว่าเป็นชนิดอะไรแนะ่ซึ่งแน่นอนในแง่ของความเป็นจริงว่ามีเงื่อนไขประกอบในความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับทุเรียนเหล่านั้นอีกเป็นอันมากแต่สรุปว่าไอ้ตัวความรู้นั้นจะต้องอิงในตัวเหตุพอเราต้องการผลอย่างนั้นเพราะงั้นตัวเหตุเราต้องชัดเจน แล้วบางทีมันก็มีปัจจัยเข้ามาประกอบปัจจัยเข้ามาประกอบมันก็แนวเดียวกันอนุตตรังบนยกักติรังโลกัสสตว์ที่ว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบนของโลกไม่มีเนื้อนาบนอื่นจึงไปกว่าแม้พื้นดินจะดีอย่างไรก็ตามนั้นก็คือพืชตดินแต่พืชเองก็ต้องเป็นพืชช น, นิดดีด้วยและในกระดังเดียวกันองค์ประกอบอย่างอื่นต้องค่าอุปธรรมข่าสนับสนุนด้วยจึงจะก่อให้เกิดผลตามที่เราต้องการ องค์ประกอบบางอย่างนั้นมีอยู่แล้วโดวยธรรมาชาติองค์ประกอบบางอย่างที่บังขาดแคลนไปเราก็เสริมเข้าเช่นสมมุติว่าการรดน้ําการพ่นดินการใส่ปุ๋ยก็เป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องเสริมเข้าแต่ว่าปุ๋ยไอย้ดินนั้นมันก็ดีอยู่แล้วระดับหนึ่ง น, น้ำมันก็มีอยู่แล้วระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอเราก็เสริมเข้าดูจะเสริมหรือจะลด มันก็ทำนองคล้ายๆกับชาวนาที่ชักน้ำเข้านาขาน้ำเข้านาแล้วก็เปิดน้ำออกจากนานั่นเองแต่ว่าความก็ดูเหตุดูผลกันในแต่ละกรณีชีวิตของบุคคลเราจึงอยู่ในแวดวงของปฏิจจสมุปบาทเพราะตัวก็เรานั่นเองก็คือตัวของปฏิจจสมุปบาทแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวจิตเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาท แต่ตัวดินน้าลมไฟที่ประกอบมาเป็นขันเป็นธาตุเป็นาปนายตนะมันก็เป็นกระบวนการของปฏิจจสมบัติที่เรามีสุขบ้างมีทุกบ้างมีหิวบ้างมีอิ่มบ้างอะไรต่อไปเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของเขาและจากแนวศึกษาในแนวนี้เราจะเห็นว่าช่วงแรกเราเข้าใจง่ายว่าบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงเป็นดินแล้วได้รับผลของพืชชนิดนั้นอันนี้มันเป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย เราเห็นพืชอยู่สองชนิดคือที่เราชอบกับเราไม่ชอบปรอนการกระทําของเราก็เหมือนกันคือผลมีอยู่สองอย่างคือผลที่เราต้องการกับผลที่เราไม่ต้องการหรือผลที่เราชอบกับเราไม่ชอบหรือผลที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์หรือผลที่เป็นทุกข์กับเป็นสุขก็แล้วแต่จะเรียกคือสรุปว่าทั้งหมดที่ไม่ดีคือหมายความว่าที่เราไม่ชอบที่ผลเป็นทุกข์ที่ไม่มีประโยชน์ที่เป็น แต่เราไม่ต้องการแล้วก็เป็นเหตุได้เกิดบังเกิดในทุกติมันมาจากเขตุก็คือพวกกิเลสทั้งหลายแต่ในที่นี้ทรงใช้คําว่าบาปทั้งหลายจึงทรงสอนว่าสัพปะ ป, าปะสะกรารนังคือการไม่ทําบาปทั้งปวงสอนตัวเหตุแต่ผลนั้นยังไม่ปรากฏคือไม่ต้องพูดเรื่องผลเพราะจริงๆคนฟังนั้นดั่นเป็นพระอระหรันต์ เป็นการแสดงถึงหลักการปฏิบัติโดยสรุปธรรมะในพระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นว่าการตามความจริงก็ไม่ได้แสดงแก่ไม่ใช่สอนให้พระอาหารหันต์เหล่านั้นปฏิบัติเพราะท่านเราท่านเหล่านั้นท่านบรรลุอาหารหันต์เป็นพระหารไปแล้วท่านได้ปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติแบบง่ายๆแล้วก็สรุปสั้นๆให้ดูไม่ต้องพูดในรายละเอียดแต่ขอให้ทำเหตุเหล่านั้นแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเอง กุศลสูปสัสสมบดาก็เหมือนการสอนให้ปลูกพือชนิดติเพราะกุศลสูปสัสสมบดาการทํากุศลใน้สมบูรณ์นั้นก็คือการกระทํากุศลธรรมที่เมื่อบุคคลได้กระทาไปแล้วผลก็ไม่ได้แสดงไว้เพราะรายพวกผลนั้นก็จะสัมผัสเองสัมผัสเองก็ใกล้ๆกันเลยก็บอกกินอันนี้สิอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นมันเป็นเรื่องของเขาให้เขากินได้ก่อน กินซะก่อนแล้วก็จะรู้ว่อร่อยหรือไม่อร่อยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ได้เองแต่เราก็เพียงแต่บอกให้เขากินเท่านั้นเองซึ่งแนวของปฏิจจสมบัติแนวนี้เราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับรสชาติกันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราคือพระที่ก็แสดงเหตุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเองแต่ส่วนผลที่ทยอยกันไปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นั้นเป็นเครื่องที่เขาจะสัมผัสในช่วงหลังคือหลังจากเขาได้ประกอบเหตุไปแล้ว อาการชี้แจงเหตุสองเหตุแต่็งินเป็นเหตุหนึ่งก็คือให้ละเหตุหนึ่ ง, ท, งที่จริงก็คือสอนอริยสัจทั้งสี่ประการแต่เป็นการสอนที่ตัวสมุทยัยสัจก็สอนที่ตัวมรรคสัจไม่ได้เน้นไปที่นิโรธสัจเพราะอะเพราะนิโรธสัจจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราละ บ, บาปได้เต็มชี้และทํากุศลได้สมบูรณ์จนจิตของแผ่ ในอดปรากฏตรงไห น, นปรากฏที่จิตซึงผ่องแผ้วผ่องแผ้วจากอะไรผ่องแผ่วจากอาสวะกิเลสเครื่องทสมองทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะแม้เพียงสมข้อที่เราเรียกว่าหลักการสําคัญในทางพุทธศาสตร์นาซึ่งเราเรียนอีกทีจริงๆมันคือศี่สมาธิปัญญาศีส่สมาธิปัญญาการไม่ทําบาปคือการงดเว้นจะ ง, งดเว้นจากปานาติบาตก็คืองดเว้นไม่กระทาบาปเป็นต้นมันก็เป็นสัพพาปะปะตการณง การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูบ็สมประดาการทำกุศลนั้นสึงพร้อมมันก็เริ่มมาจากการกระทำความดีทั้งหลายที่จีมก็ต่อมาจากศีนั่นแหละจนกุศลนั้นสมบูรณ์ในแต่ละชั้นพะกุศลสมบูรณ์เนี่ยจริงๆจิตมันก็พ่องแค้วโดยอาศัยปัญญาดังนั้นในตอนสุดท้ายที่ท่านบอกว่าสัจจิตะประโยชน์กับพนัง อันที่ไผ่องแพ้วนั้นก็คือผ่องแพ้วโดยปัญญาตญญามนยามพุทธธรรมบัตรที่ตัดไปง่ายนะฮะตัดไปในที่อื่นบอกว่าปัญญายาปริสุทธิ์ติบุคคลจะเกิดหมดจดคือจิตใจจะหมดจดได้ก็ด้วยปัญญาตกลงว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดนั้นคือกฎของปฏิจจสมบัติแต่ว่าบางทีก็สงแสดงเขตเฉพาะตัวเหตุเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงยาวเหยียดไปอย่างนั้นเพราะตั้งในการ เกิดขึ้นของผลทั้งหลายนั้นจุดสำคัญมาอยู่ที่เหตุเป็นประการสำคัญแ ต, แต่นี่ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป